รับพรข้างถนนเมื่อใส่บาทองค์หลวงตาเสร็จแล้วผู้คนก็ล้อมรวมกันเป็นวงรอบองค์ท่านที่ข้างถนนปากทางเข้าสวนแสงธรรมวงที่ล้อมรอบองค์ท่านค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นไปตามกาลเวลาทุกคนประนมสองมือหลับตาตั้งจิตรับพรจากท่านด้วยความสงบเกิดปีติในศรัทธาที่มีต่อองค์ท่าน ท่านให้พรด้วยเสียงที่นุ่มนวลไพเราะบรรยากาศโดยรอบรื่นรมด้วยลมเย็นที่พัดผ่านในยามเช้าประกอบกับทัศนียภาพที่น่าชมของบึงบัวกว้างใหญ่ที่อยู่ติดถนนทางเข้ามีศาลาไม้เล็กๆ เ, เป็นที่พักให้ผู้เดินทางได้ใช้หลบร้อนมีสวนผักสวนไม้ดอกอยู่หลายรอบยามรุ่งอรุณมีหมอกบางๆลอยอ้อยอิงขึ้นจากบึงบัวใหญ่และแปลงผักพอสายหน่อย แสงอาทิตย์ก็เริ่มสาดส่องมาอ่อนๆคลายความหนาวเย็นของอากาศยามเช้าผู้คนสูดลมหายใจเข้าจนเต็มปอดเหมือนสูดเอาบุญและบารมีขององค์พระอาหารหันต์เช่นหลวงตาเข้าสู่จิตใจของเขาอย่างเต็มที่น้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความปีติทุกครั้งที่ได้รับพรจากท่านรถทุกคันที่สัญจรผ่านเขาออกตามเส้นทางเมื่อพบหลวงตาให้พรต่างก็หยุดรถ ประนมมือรับพรจากท่านแม้กระทั่งแท็กซี่ผู้หาเช้ากินคำ่ำรับส่งผู้โดยสารก็ยังจอดรถเข้าข้างทางร่วมรับพรด้วยใจสงบด้วยศรัทธาเปี่ยมล้นแม้ใส่รองเท้าแตะอยู่ก็ยังถอดออกเพื่อรับพรจากท่านสองมือรูปศีรษะพร้อมกับกล่าวสาธุร่วมกับผู้อื่นแม้ไม่มีโอกาสได้ใส่บา ท, ท่านขอให้ได้มีโอกาสรับพรก็น่าเป็นบุญแล้ว ผมชอบมองดูเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวต้องการเก็บภาพเหล่านั้นเพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำด้วยความรู้สึกอิ่มใจสองมือของหลวงตาประนมประกบกันอย่างสวยงามนิ้วเสมอกันทุกนิ้วหลับตาตั้งจิตให้พรสาธุชนโดยรอบต่างตั้งใจยืนรับพรด้วยใจจดจอ่อผมได้มีโอกาสบันทึกภาพเหล่านี้ไว้ในความทรงจำรวมทั้งได้บันทึกเป็นภาพนิ่งไว้จำนวนหนึ่ง เป็นภาพที่หาดูไม่ได้แล้วในปัจจุบันสมัยนั้นหลวงตายังแข็งแรงท่านก้าวเดินด้วยความมั่นคงเข้มแข็งดูคล้ายเป็นการก้าวช้าๆเนิบๆแต่ก็รวดเร็วหลายคนเดินตามไม่ทันหลวงตาท่านเคยบอกให้ทราบว่าขณะที่ท่านเดินรับบาตรทั้งที่วัดป่าบ้านตาดและที่สวนแสงธรรมท่านไม่ได้เดินเล่นๆแต่ท่านเดินพร้อมกับพิจารณาไปด้วยตลอดทางทั้งไปและกลับ